เข้าพิธีโกนจุกปีพุทธศักราช2331เด็กชายโตอายุได้13ขวบสมควรที่จะทำการโกนจุกแล้วจึงได้จัดพิธีโกนจุกขึ้นโดยมีเจ้าเมืองเป็นประธานเจ็ดวันต่อมานางงุดจึงนำกุมารโตบุตรออกไปมอบถวายท่านพระครูวัดใหญ่ในเมืองพิจิตรอีกให้ท่านสอนสามเณรศิกขานาสานางคะให้รู้ข้อปฏิบัติ ในวัดทางสมณ น, นภูมิต่อไปในเดือน8หนางงุษมานดาและคณาญาติใหญ่น้อยได้จัดบริคารรายจีวรและยอมรับประคดของบิดาที่ได้กำชับมอบหมายไว้แต่เดิมนั้นเป็นองค์ฆ่าพันทบริคารพร้อมทั้งบาดโอตลุ่มเสื้อมุงน้ำมันมะพราะ้าวตะเกียงกับเครื่องถวายพระอุปชาและถวายพระอันดบอีกสองค์และพากันไปที่วัดอารัธนาท่านพระครู ให้ประธานบนรรพชาแก่กุมานโตและขอส่งนั่งปกอีกสี่องค์รวมทั้งห้าทั้งพระอุปชาลงโบสถ์พระครูก็อนุมัติตามทุกประการเมื่อสามนเณรโตได้บรรพชาเสร็จก็ตั้งใจเคร่งครัดเกรงต่อพระพุทธอาญาอุตส่าห์เอาใจใส่ปรนิบัติพระอุปชาทุกวันทังกิจการในหน้าที่ก็ไม่บวกพร่อง ทั้งการเล่าเรียนคำผีมูลกัจจยา น, นาปกรณ์เป็นต้นว่าสูตรจบเล่าจดจบจำได้แม่นยำดีเรียนบาลีวยาก์ตั้งแต่สนที่นามและสมาตตัดทิศอุณาตกริตะกา ร, รกะและสนทิพลาวาการสัทธสารสัทธพินสัทธาลินีคำผีมูลทั้งสิ้นจบบริบูรณ์แม่นยำจำได้ดีถึงเวลาค่ำก็จุดประทีปถวายพระอุปชานวดบีบ มันใต่ถามสอบทานในการที่เรียนเพียรหาความตามภาษาเด็กถามเล็กถามน้อยค่อยๆอ้อเสะพูดจาประจ๊อประแจเป็นที่ต้องใจงในท่านพระครูอุปชายยิ่งนักท่านเกิดเมตตากรุณาแนะนําธรรมปริ ย, ยัยท่านต้องขยายเวทมนตร์คาถาสําหรับแรดหมีเสือสางช้างมา้ามาหิงสาโคกระทิงเถื่อนที่ดุร้ายเจระเคเฮราไหววนเวียนไม่เข้าใกล้สุ น, นักป่าสุ น, นักไหนสุ น, นักบ้านอันธพาล คนเก่งกาจกันเป่าไปให้งงงันยืนจังงังตั้งฐานภาวนาบริกรรมธรรมศูนย์ตรงนี้ตรงนี้ตั้งสติบวบเบื้องหน้าแห่งวิถีจิตอย่างนี้อย่างนี้ท่านบอกกลลเม็ดวิธีสอนสามเนนให้ชำนิชำนานรอบดูในวิทยาคุณคถามานิยมเกิดเป็นมหาเสน่ห์ทั่วไปสามเนนโตก็อุตส่าร่ำเรียนได้ในอาคมต่าง หลายอย่างหลายประการออกป่าเข้าบ้านทดลองวิชาความรู้ในวันโกนวันพระที่ว่างเรียนมูลลปรกรณ์แล้วก็ต้องทดลองวิชาเบตเตเลตเป็นนิตยาการจนคล่องแคล่วชงนิชำนาญใช้ได้ดังประสงค์ทุกอย่างปีพุทธศักราช2333อายุสามเนรียนโตได้15ปีบวชเป็นเนียนได้3พรรษา เล่าเรียนคมภีมูลกัศจยานาปรกรณ์จบเข้าใจไวยากรณ์รู้สัมพันธ์บริบูรณ์ในเดือน12ปีนั้นสา ม, มเณรโตเกิดกระสานใครเรียนคำภีพระปริยัติศาสนาเป็นกําลังทนความกระหายการเรียนพระปริยัติธรรมนั้นไว้ไม่ได้จึงคลานเข้าไปนั่งพนมก้มกราบไหว้ท่านพระครูผู้เป็นพระอุปชาและอ้อนวอนขอเรียนคมภีพระปริยัติศาสนาต่อไป ปายท่านพระครูได้ฟังคําสัมเนินโตเมร้องขอเรียนคำภีพระปริยัติธรรมอีกท่านก็อึกอักด้วยคำผีพระปริยัตได้กระจัดกระจายตกเรียรเสียหายปนปี้มาแต่ครั้งพม่าเข้ามาตีกรุงซ้สำสังฆราชเรืองพเพย์ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินทําให้สมบัติของวัดวาอารามเสียหายหมดอีกเป็นคํารบสองซ้ำร้ายพวกผู้ร้ายยังเข้าปล้นพระพุทธศาสนา เอาพระคำภีปริยัตในวัดนี้ไปจนหมดสิ้นเป็นคำรบสามแล้ววัดแถบนั้นก็ยากที่จะหาตำราหยิบยืมกันถึงจะมีบ้างก็เล็กน้อยก็จะไม่พอแกสติปัญญาของสมมเณรโตจะเป็นทางกระดักกระเดิดรั้นจะปิดบางเนนเพื่อหน่วงเหนียวชักนำไปทางอื่นก็จะเป็นโทษมากถึงอเวจีควรที่จะต้องชี้ช่องนมามรคา จึงจะชอบด้วยพระพุทธศาสนาตามแบบพระอาหารหันตะขีนาศแต่ก่อนๆท่านได้กุลบุตรที่ดีมีสติปัญญาวิสารธาแก้วกลา้าสามารถจะทํากิจพระศาสนาได้ตลอดท่านก็ไม่ได้ทิ้งทอดห่วงห้ามกักขังไว้ท่านย่อมส่งกุลบุตรนั้นๆไปสู่สำนักพระมหาเทราเจ้าซึ่งเชี่ยวชาญต่อๆไปเป็นลาดับจนตลอดกุลบุตรนั้นๆ ลุล่วงสำเร็จกิจตามประสงค์ทุกๆพระองค์มาก็การนี้สัมมาเนโตเธอก็มีปริชาว่องไวมีอุปนิสัยยินดีต่อพระบวรพุทธศาสนามากอยู่ไม่กวรที่อาจารย์จะทัดทานขัดไว้เมื่อท่านดําริเห็นแจมแจ้งน้ำใจที่ถูกต้องตามพรองพระพุทธศาสนานิกมนทนชน้แล้วจึงมีเทราะ บ, บัญชาแก่สามเ น, นโตดังนี้ เออเนะสามนเณรโตตัวกูนี้มีคำพีมูลกูชอบและกูสอนคุณบุตรได้ตลอดทุกคำพีแต่กูก็มีแต่คำพีมูลครบครันเอตว่ากูรักกูนิยมกูรวบรวมรักษาไว้ถึงว่าจะขาดเรืยอเสียหายกระจัดกระจายไปก็จัดงานซ่อมแซมขึ้นไว้จึงเป็นแบบแผนพร้อมเพรียงอยู่เพราะกูมีนิสัยรู้แต่เรื่องมูลลวยากรเท่านั้นแต่คมภีป ร, ริยติธรรมนั้น เป็นของสุดวิสัยกูกูจึงไม่ได้สะสมตำรับตำราไม่มีคำภีดีกาอะไรไว้เลยในตู้หอไตรเล่าก็มีแต่หอและโต้อยู่เปล่ า, ลาแต่หากว่ากูจะเที่ยวยืมมาแต่อารามื่อื่นมาบอกมาสอนเธอได้บ้างแต่กูไม่ใครจะไว้ใจตัวกูก็คงบอกได้แต่ก็คงไม่ดีเพราะกูไม่สู้ชำนาญในคมภีรพระปรายยัดนักจะกักเธอไว ก็จะพาเธอโง่งมงายไปด้วยเพราะครูโง่ลูกศิษย์ก็ต้องโง่ตามกูเองก็เป็นเพราะเหตุนี้จึงได้ยอมโง่แต่ครั้นมาถึงเธอเข้าจะทําให้เธอโง่ตามนั้นไม่ควรแ ก, ก่กูและว่าถ้าเธอมีศรัทธาอุตสาหะใกลแท้ในทางเรือนคมภีพระปริยัติศาสนาแน่นอนแล้วกูจะบอกคนทางให้กูจะแนะนําไปถึงท่านพระครูวัดเมืองชัยนาธ ท่านพระครูเจ้าคณะพระองค์นี้ดีมากทั้งท่านก็คงแก่เรียนทั้งเป็นผู้เอาใจใส่มันตรตราสอบสวนสับแสงถ้อยคําบทบาทพระศ า, ศาสนาเสมอทั้งบอกพระเนนเสมอจึงเรียกว่ามีความรู้กว้างขวางทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาอัทธกถาดีกาก็มีมากทั้งท่านเอาใจใส่ตรวจตรารวบรวมหนังสือไว้มากถึงนักปราชในกรุงท่านก็ไม่หวนวาสยดสยอง ถ้าเธอมีความอุตสาห์จริงๆเธอก็พยายามหาหนทางไปเรียนกับท่านให้ได้เธอจะรู้ทำดีทีเดียวสามเณรโตได้ฟังคำแนะนำของท่านพระครูผู้เป็นพระอุปชาดังนั้นก็ยิ่งมีกระสันเกิดกระหายใคร่เรียนรู้จึงกราบลาท่านพระครูกลับบ้านอ้อนวอนมารดาและคุณตาเพื่อจะได้นำไปถวายฝากมออกับท่านพระครูจังหวัดวัดเมืองชัยนาธบุรี ฝ่ายตะผลนางุตย์ยอมผู้หญิงฟังสา ม, มเณรโตมาอ้อนวอนก็คิดสงสารไม่อาจขัดขวางห้ามปรามได้จึงรับคำสา ม, มเณรว่าจะพาไปฝากให้ขอรอให้จัดเรือจัดคนจัดเสบียงอาหารก่อนสักสองวันแล้วจึงจะพาไปสา ม, มเณรโตได้ฟังก็ดีใจและเดินทางกลับวัดรุ่งขึ้นเวลาเย็นนางุต์ตะผลจึงออกไปกราบเรียนบอกความประสงค์ของสา ม, มเณรโต แกท่านพระครูวัดใหญ่ทุกประการและขอลาพาเนียนไปส่งในเช้าวันพรุ่งนี้ท่านพระครูก็ยินดีอนุญาตตามประสงค์ทั้งสองผู้ใหญ่นั้นก็ลากลับมาบ้านจัดเรือจัดคนจัดสเสบียงอาหารไว้พร้อมเสร็จรุ่งเช้าสามเนรโตเข้าไปชันที่บ้านรันฉันเช้าแล้วก็ออกเรือแจวออกไปทางแม่น้ำไชนาธบุรี